ถ้าแต่พระสงฆ์พูดเจริญนางเปตรตตนนี้เมื่อชาติก่อนเคยเป็นภรรยาของข้าพเจ้าหากแต่ทํากรรมเอาไว้ทําให้ต้องตกอยู่ในสภาพเปรตเช่นนี้ชายผู้ที่เป็นเจ้าของที่พมนักก็ตอบไปค่ะพระภิกษุก็เลยถามบอกว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นเช่นไรเล่าให้อัตมาฟังหน่อยซิเผื่อว่าอัตมาเนี่ยจะพอช่วยนางได้ทีนี้เนี่ยเทวดาจำแรงเนี่ยค่ะก็เลยบอกว่า